แต่ถามอย่างนี้บอกว่าชิงชังวัตะใช่ไหมบอกว่าในศาสนานี้สอนให้รอบรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างไงเมื่อรู้เห็นตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายอันนี้สูตรเขาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมถ้ารู้จริงก็จ้องเบื่อหน่ายถ้ารู้ไม่จริงจะไม่เบื่อถ้ารู้จริงย่อมเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดสูตรเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเมื่อไร่ก็ช่างเถอะถ้ารู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วย่อมเบื่อหน่ายรู้อย่างไงแล้วรู้ให้มันเบื่อหน่ายเช่นรู้ในทวารตารู้อย่างไงจึงจะเบื่อในการเห็น รู้ยังไงจึงจะเบื่อในการได้ยินรู้ยังไงจึงจะเบื่อในการรู้กลิ่นรู้ยังไงจึงจะเบื่อในการรับทวารลิ้นทั้งหมดการประชุมในทวารลิ้นทั้งหมดเนี่ยจึงเป็นที่ตั้งแห่งความเบื่อหน่ายสัมผัสการประชุมสัมผัสทั่วร่างกายทั้งหมดแล้วเป็นที่ตั้งแห่งความเบื่อหน่ายทุกๆความคิดเป็นที่ตั้งแห่งความเบื่อหน่ายได้แต่ถ้ายังไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเบื่อหน่ายเนี่ยนะ ก็อย่าลืมว่านี่คือการประชุมเพื่อสร้างวัตตะทุกๆครั้งที่เห็นได้ยินรู้กลินรับรู้รสรับกระทบสัมผัสตั้งอต่สีสันจดปลายเท้าหรือแม้กระทั่งทุกๆความคิดสิ่งเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งวัตตะทั้งหมดเลยเป็นแดนโคโจรของวัตตะเป็นวิสัยของวัตตะทั้งหมดอันนี้เป็นวัตตะคถาทีนี้มาดูวิวัตตะถามัง้งนีนะวิวัตตแปลว่าสายพระนิพพานเนี่ยนะก็ขออภัย เออมื่อกี้ี้พูดถึงว่าการประชุมของวัตตะเนี่ยนะองค์ประชุมของวัตตะเป็นอย่างนี้ทีนี้ลักษณะความเป็นไปของวัตตะดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อตามีรูปมีจกักขคูวิญญาณก็มีถ้ามีตามีรูปมีจกักรคูวิญญาณเขาก็บัญญัติได้ว่าเป็นผัสสะเมื่อบัญญัติว่ามีผัสสะก็บัญญัติได้ว่ามีเวทนาเมื่อบัญญัติว่ามีเวทนาก็สามารถที่จะบัญญัติสัญญาได้เมื่อบัญญัติสัญญาได้ก็จักบัญญัติว่ามีวิตกเมื่อบัญญัติวิตก สัญญาเครื่องเลื่นช้าคือตันหามานะทิฐิจะไปไหนที่จริงก็อะไรนะแบบฉะฉะกระสูตดช่วยใหอาศัยตากับรูปกิดจกักรวิญญาณทำสามอย่างประชุมการเป็นภาษาภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาที่จริงคือสิ่งเดียวกันแต่เปลี่ยนวิธีแสดง น, นะเปลี่ยนวิธีแสดงตามอัธยาศัยพระสู่ทั้งหลายเนี่ยตามอัธยาศัยของผู้ฟังนะตามอัธยาศัยของผู้ฟังบางท่านฟังแบบนี้และเข้าใจ แต่ส่วนใหญ่ของเราคุ้นเคยกับแนวฉาชักสูตรบ้างแนวโลกาลิโรทสูตรบ้างแนวสูตรอื่นๆที่ระบบปฏิจจสมุปบาทค่อนข้างจะคุ้นเคยแบบนั้นแต่มัทุธ ป, ปินติกสูตรบางคนก็เพิ่งเคยอ่านมาครั้งเดียวบางคนก็อ่านมาสองครั้งนั้นความคุ้นเคยในสูตรเหล่านี้ก็จะน้อยเนี่ยนะบางคนก็คุ้นมากบางคนก็คุ้นน้อยแต่ว่าจริงๆแล้วโดยอัถมไม่ต่างกันก็คือปฏิจจสมุปบาทที่ อาศัยตากับรูปเกิดจากคูวิญญาณธรรมะสามอย่างประชุมกันเป็นภาษาภาษาเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาถ้าไม่มีตาไม่มีรูปจากคูวิญญาณเกิดได้ไหมไม่ได้ถ้าไม่มีตาไม่มีรูปไม่มีจากคูวิญญาณจากคูสัมผัสเกิดได้ไหมไม่ได้บัญญัติว่าภาษาได้ไหมถ้าไม่มีองค์ประชุมเหล่านั้นจะเกิดเวทนาได้ไหมถ้าไม่มีภาษาจะมีเวทนาได้ไหมถ้าไม่มีภาษาจะมีสัญญาได้ไหมถ้าไม่มีภาษาจะมีสังขารได้ไหม คือวิตกได้ไหมถ้าไม่มีภรรษาแต่ไม่มีเวทนาสัญญาสังขารจะมีตันหาได้ไหมจะมีมานะทิฐิได้ไหมก็มีไม่ได้เมื่อมีสิ่งนั้นไม่ได้สังสารวัฏจะมีได้ไหมมันก็มีไม่ได้แต่เนื่องจากว่าสิ่งเหล่านี้มีการบัญญัติอย่างนี้จึงมีนะทวารหูก็เหมือนกันนะทวารจมูกก็เหมือนกันทวารลิ้นทวารกายก็นัยเดียวกัน เพราะมีใจมีธรรมารมณมีมโนวิญญาณนี่แหละเขาจึงบัญญัติว่าเป็นผัสสะเพราะมีผัสสะนั่นแหละจึงบัญญัติว่ามีเวทนาเพราะมีเวทนานั่นแหละจึงบัญญัติว่ามีสัญญาเพราะมีสัญญานัา่นแหละจึงมีบัญญัติว่ามีวิตกเมือ่อบัญญัติว่ามีวิตกปั๊บเมื่อไหร่ก็แสดงว่าบัญญัติตันหามานะทิ่ถิได้ที่จริงวิตกมันก็นำหน้าวิปัสสนานะอกุศลวิตกทั้งหลายนำหน้าวิปัสสนาอขออภัย กุศลวิตกมีเนคขมวิตกเป็นต้นเป็นหัวหน้านำหน้าวิปัสสนาถ้ า, ากุศลวิตกเป็นหัวหน้าของตัณหามานะและทิฐิอันนี้เป็นลักษณะฝ่ายวัตะจะเป็นอยังไงกระแสของวัตะนะก็เป็นอย่างไงถ้าถามว่าวิวาตาัตะบังล่ะดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อตาไม่มีรูปไม่มีและจักขวิญญาณไม่มีเขาบัญญัติว่าภาษาข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ จริงๆเนี่ยนะไอ้คำว่าไม่มีเนี่ยแปลว่าดับดับนี่ไม่ใช่ว่าสักว่าตาบอดไม่ใช่ว่าสักว่าไม่มีภาพในอวกาศไม่ใช่นะไม่ใช่ว่าจักรคูวิญญาณไม่เกิดเพราะหลับตาไม่ใช่หมายคําว่าถ้าดับตาสําเร็จดับรูปสําเร็จดับจักรคูวิญญาณสำเร็จแล้วเนี่ยนะไม่มีสิ่งนี้โดยโดยคำว่าดับเพราะตรัสรู้ธรรมเป็นที่ดับสิ่งเหล่านี้แล้วภาษาจะบัญญัติได้ไหมไม่ได้เมื่อภาษาไม่มีบัญญัติว่าเวทนาได้ไหมไม่ได้ ถ้าบัญญัติอเวทนาไม่มีจะมีสัญญาไหมถ้าไม่มีสัญญาจะมีวิตกไหมถ้าไม่มีวิตกจะมีสัญญาที่อยู่ในส่วนแห่งเครื่องเนื่องชาขาข้าคือตันหามานะทิฏฐิเป็นต้นได้ไหมก็อย่าลืมว่าสูตรนี้ตามอัฏฐสาระก็คืออายตนะทั้งหลายเป็นแดนโคจรของสมุทัยสัจจะถ้าหากว่าตรัสรู้อสังขตะธรรมที่ดับอายตนะเหล่านี้ได้นั่นเป็น อสังขตะเป็นพระนิพพานเป็นธรรมที่ดับอายตนะถ้าดับตรัสรู้ธรรมเป็นที่ดับอายตนะไปแล้วเนี่ยนะตันหาเป็นต้นจะมีได้ไหมถ้าไม่มีตันหาตัวที่นําไปสู่พบใหม่จะมีไหมถ้าไม่มีพบใหม่แล้วจะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นต้นได้ไหมถ้าไม่มีจะมีสังสารทุกข์เป็นต้นได้ไหมสิ่งเหล่านี้ก็มีไม่ได้ฉะนั้นนะั้นทวารหูก็เหมือนกันทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายก็ในยะเดียวกันดูทวารใจ ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อใจไม่มีธรรมารมณก็ไม่มีมโนวิญญาณก็ไม่มีถ้าใจไม่มีนะทุกอย่างพวกนี้ไม่มีด้วยบัญญัติว่าภาษะอันนี้ก็มีไม่ได้บัญญัติว่าภาษาไม่ได้หรอกถ้าไม่มีมันใจไม่มีผวังไม่มีเรื่องราวไม่มีธรรมารมไม่มีความคิดขึ้นมาภาษามีได้ไหมก็มีไม่ได้เมื่อภาษาไม่มีบัญญัติว่าเวทนาได้ไหมไม่ได้ถ้าบัญญัติว่าเวทนาไม่ได้จะบัญญัติสัญญาได้ไหมไม่ได้ถ้าบัญญัติสัญญาไม่ได้บัญญัติวิตกได้ไหมไม่ได้ ถ้าบัญญัตินี้ตกไม่ได้การครอบงําด้วยตันหามานะทิ่ที่เป็นต้นจะมีได้ไหมก็มีไม่ได้เพื่อนสรุปวันนี้เป็นวิวตัตะก็แปลว่าถ้าดับอายตนะ12โดยไม่มีส่วนเหลือนี่นะก็ต้องตรสรถุทำเป็นที่ดับอายตนะทั้ง12คือพระนิพพานพระนิพพานนั้นเป็นธรรมที่ดับอายตนะทั้งมวลเนี่ยนะเรียกว่าเป็นธรรมที่ดับทุกเป็นธรรมที่สงบทุกเพราะอายตนะเป็นที่ตั้งแห่ง กพระนิพพานเป็นที่สงบทุกอายตนะเป็นที่ตั้งแห่งตันหาพระนิพพานเป็นที่ดับตันหาอายตนะเป็นสังสารวัตเป็นวัตตาพระนิพพานที่ดับอายตนะเป็นวิวัตตนะ์ธรรมชาติที่หรือคุณธรรมที่ไปเห็นนิพพานอนั้นเป็นอริยมรรคอริยมรรคเป็นผลของการเจริญวอิอาทีนวานุปัสสนาเบือนาย ความเบื่อหน่ายเกิดจากการเจริญอนุปัสนาทั้งหลายอนุปัสนาก็เกิดจากรู้เห็นตามความเป็นจริงการรู้เห็นตามความเป็นจริงก็เกิดจากกำหนดปัจจัยเป็นอย่างดีเห็นความเป็นไปไหลไปของสังคตะธรรมเป็นอย่างดีเมื่อเห็นความเป็นไปเห็นความไหลไปของสังคตะธรรมอย่างดีเนี่ยนะก็จะเห็นตามความเป็นจริงโดยความไม่เที่ยงเป็นต้นแล้วก็เมื่อรู้ความเป็นจริงเท่าไหร่ก็เบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็ คลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะอายตนะเหล่านั้นต่อไปก็จะไม่เป็นที่ตั้งแห่งอะไรอายตนะทั้งหลายเหล่านั้นจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งตัณหาอีกต่อไปอายตนะทุกอายตนะทวารตาอะไรก็ช่างที่เกิดขึ้นใทวารตาถ้าได้ตรัสรู้พระนิพพานแล้วในโลกทวารตาทั้งหมดจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งตัณหาถ้าตรัสรู้พระนิพพานแล้วโลกทวารหูทั้งมวลนเนี่ยนะ จะไม่เป well ็นที่ตั้งแห่งตันหาถ้าตรัสรู้พระนิพพานแล้วโลกทั้งมวลในทวารจมูกจะกลิ่นอะไรก็ช่างเถอจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งตันหาโลกทวารลิ้นทั้งมวลจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งตันหาโลกทวารกายทั้งมวลจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งตันหาโลกทวารใจทุกความคิดจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งตันหาถามว่าปัญญานี้ควรน่าเป็นที่ตั้งแห่งโลภะไหมน่าจะเป็นใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้าติดไหม ฉลาดที่สุดทำไมพระ อ, องค์น่าจะอะไรปัญญาของพระ อ, องค์นะแหมสมมติว่าพูดแบบเรียนะนะบอกว่าโอ้เนี่ยไม่ยังไม่อยา ง, ยางนิพพานเลยก็่าจะสร้างบารมีเพื่อให้มีปัญญาเท่านี้อยา ก, กเกาะอยู่กับปัญญาอย่างนี้นานๆไม่เห็นไม่เห็นคิดอย่างนี้วะไงคิดอย่างนี้ไหมไม่ทําไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าสังขารธรรมทั้งมวลจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งตัณหาของพระพุทธเจ้าอีกต่อไปจะประณีตเลวประณีตหยาบละเอียดไกลใกล้ อย่างไรก็จะไม่เป็นที่ตั้งแห่งอิชันธราคะแต่ทุกสิ่งเป็นที่ตั้งแห่งปัญญากรับธรรมชาติของปัญญาเนี่ยเห็นโทษตามความเป็นจริงลักษณะของโลภะเกาะเกี่ยวยึดติดติดแบบลักษณะที่ใช้คำว่าให่เนี่ยนะก็ตัดบัวแล้วมีใ ย, ยนะใ ย, ยอันนั้นแหละเป็นตัวที่นำสู่ไปสู่พบใหม่แต่ไม่ใช่ท่านพระราหัตทั้งหลายท่านรับรู้ทุกอย่างแต่ท่านไม่มีใ ย, ยสักอย่าง เพราะท่านมีอริยมรรคมาคั้วใหยเหล่านั้นะเสร็จแล้วพ ท, ท่านก็มีตาเห็นแต่ท่านไม่มีใยนะไม่มีใยแบบใยแมงมุมแบบใยแมงมุมปั๊บปแบบอะไรนะจริงๆนะว่าใยแมงมุมเลยร่างแหเลยแบบมองปั๊บก็เป็นแหแล้วครอบไปแล้วแล้วดูดเข้ามาซุบเข้ามาใต่าตาเนี่ยนะนะอันนั้นก็เราอันนั้นก็ของเราเห็นปั๊บก็เป็นโปรยแหเข้าไปแล้วรวบปั๊บสูบเข้ามาเนี่ยนะทุกทวารในยทวารตาไว้แล้วดูมันขังอะไรไวบ้างนะในใจเนาะ ถ้ามันเป็นรูปธรรมทั้งสายไม่มีที่เก็บแน่นอนแต่ว่าเมื่อนะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นไปตามระบบเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเนี่ยนะมันไม่ใช่รูปธรรมมันจึงบอกว่าไม่จําเป็นต้องหาที่เก็บเนี่ยนะไม่เหมือนแบบไอ้คำบันทึกเสียงไอ้เครื่องบันทึกเสียงมันเก็บเสียงเนี่ยนะมันก็มีที่ที่เก็บนะถ้าเรื่องราวที่รับรู้ทวารใจถ้ามันแบบมีที่เก็บแบบเดียวกันเนี่ยนะเขามาว่ามันล้นโลกคนเดียววันเดียวก็ล้นโลกแล้วล่ะคนเดียววันเดียวนะ ล้นโลกถ้าสิบคนนะกันเนี่ยผมไม่รู้กี่โลกกันนะโหใส่ทะเลาะกันใหญ่เลยนะแค่นี้ความคิดมันไม่เป็นรูปธรรมแล้วยังถกกันขนาดนี้เลยนะถ้าความคิดทั้งหลายมันเป็นรูปธรรมทงหลยความคิดมันตีกันยุ่งหน่าดูเลยนะเพราอไมันจะโหุ่นวายกับแบบนี้เยอะแต่จริงอะดีว่ามันเป็นนามธรรมเลยนะแต่ว่าแหมอันตรายมากเพราะว่าไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงโลกนี้ก็เลยเป็นที่ตั้งแห่งความยุ่งเหยิงมันอายตนะทั้งหลายจึงเป็นที่ตั้งแห่งความเนื่นช้าเป็นที่ตั้งแห่งความทะเลาะก็เกี่ยวเป็นต้น แต่ถ้าตรงงานข้ามถ้าตรัสรู้ทมเป็นที่ดับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแล้วที่บอกว่าหน้าสองย้อยสามยนาดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอุเทศคือหัวข้อเหล่านี้ไว้อย่างย่อว่าดูก่อนภิกษุส่วนแห่งสัญญาเครื่องเนื่อนช้าคือตันหามานะทิธิย่อมครอบงำบุรุษเพราะอายตนะใด การที่บุคคลจะเพลิดเพลินยึดถือกลํากลืนไม่มีในอายตนะนั้นหมายความว่าตรัสรู้ธรรมเป็นที่ดับอายตนะนั้นตรัสรู้ธรรมเป็นที่เพิกตัญหาที่เพลิดเพลินในอายตนะนั้นได้หมดสิน้นอันนี้แหละนิพพานนี่แหละเป็นที่สุดแห่งราคานุสัยพระนิพพานนี่แหละเป็นที่สุดแห่ง ปฏิคานุสัยเป็นที่สุดแห่งทิฏฐานุสัยเป็นที่สุดแห่งวิจิกิจฉานุสัยเป็นที่สุดแห่งม า, านานุสัยเป็นที่สุดแห่งภวะราคานุสัยเป็นที่สุดแห่งอวิชานุสัยเพราะผู้ที่ตรัสรูพร้พระนิพพานโดยบริบูรณ์แล้วจะไม่มีอนุสัยใดๆเกิดขึ้นอีกเลยเนี่ยนะแล้วก็ผู้ที่ตรัสรูพ้พระนิพพานหรือการตรัสรู้พระนิพพานนิพพานที่ผู้ใดตรัสรูแ้แล้วเนี่นแหละ เพราะนิพพานนั่นแหละจึงเป็นที่สุดแห่งการจับท่อนไม้จับสาตราการทะเลาะการถือเอาผิดผิดก็เลิกถือผิดแล้วเลิกโต้เถียงเลิกการด่าการว่าการเลิกการส่อเสียดยุยงและกล่าวเท็จ น, นะนะพระนิพพานนี่แหละเป็นธรรมที่ดับอกุศลธรรมอัลามกนั่นแหละเป็นการดับชนิดเรียกว่าไม่มีเหลือเลยดับโดยไม่มีส่วนเหลือเลยในทุกอายตนะเพราะอาศัยพระนิพพาน เนื้อความที่พระองค์ไม่ชี้แจงโดยพิสดารแล้วลุกจากอาสนะไปเสียกรดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายผมรู้ทั่วผมเน่รู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้โดยโย่อไม่ทรงชี้แจงเนื้อความโดยพิสดารให้พิสดารได้อย่างนี้ก็แลเมื่อท่านทั้งหลายปรารถนาก็พึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทูลเนื้อความนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากร์โดยประการใดท่านทั้งหลายพึงทรงจําข้อความนั้นไว้โดยประการนั้นเถิดพระ อ, องค์สอนไว้ยังไงจําไว้อย่างนั้นอันนี้แหละถูกต้องที่สุดครั้งนั้นและพิสูจน์เหล่านั้นชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของท่านพระมหากัจจายนะก็ลุกจากอาสนะกราบเข้าไปกราบบังคมทูลเนื้อความทั้งหมดให้พระผู้มีพระภาคเจ้าฟังว่าพระมหากัจจายนะตอบอย่างนี้อย่างนี้ในหน้าสองยห้า เ, นะเมื่อพระพิสุกราบทูลถวายพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนพิกษุทั้งหลายพระมหากจัจจายนะเนี่ยเป็นบัณฑิตพระมหากจัจจยนะเนี่ยเป็นผู้มีปัญญามากดูก่อนพิกษุทั้งหลายถ้าแม้พวกเธอจะถามเนื้อความนี้กับเราแม้เราก็จะพึงพยากรเนื้อความนั้นเหมือนกันกับที่พระมหากจัจจยนะ พยากรณ์แล้วนั่นแหลนี่แหละเป็นเนื้อความแห่งข้อความนั้นคือคือเป็นเนื้อความเนี่ยนะโดยเนื้อหาโดยสรุปเนี่ยเป็นการแสดงอายตนะทั้ง12เหตุให้เกิดอายตนะ12เอาเอาไหมก่อนอายตนะ12ความประชุมพร้อมแห่งอายตนะ12เหตุสร้างอายตนะ12ขึ้นธรรมะที่เพิก ถ, ถอนอายตนะ12ข้อปฏิบัติเพื่อให้ตรัสรู้ ธรรมะเหล่านั้นเนี่ยนะปฏิบัติอย่างไรเพราะฉะนั้นเนื้อความแม้นี้เนี่ยนะคำพยากร์ถ้าพระองค์จะตอบก็ต้องตอบเหมือนกันเธอทั้งหลายจงจําข้อนั้นเอาไว้เธอจําเอาไว้เธอเป็นอย่างนี้แหละเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วซึ่งพระนรนได้ฟังเนื้อความทั้งหมดที่พระพิสุกราบทูลและพระองค์ตรัสพยากรพระนรนก็เลยกราบทูลเนื้อความนั้นแด่พระผู้ เ, เจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เปรียบเหมือนบุรุษผู้ถูกความหิวความเหนื่อยอนานะความเหนื่อยอ่อนครอบงำได้ขนมหวานแล้วกินในเวลาใดก็เพ่งได้รับรสอันอร่อยหวานชื่นชูใจในเวลานั้นฉันใดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกสุผู้เป็นนักคิดเนี่ยนะนักคิดนะไม่ใช่ไม่คิดอะไรเลยนั่งนิ่งแล้ก็ไม่รู้อะไรสากอย่างเน่ยนะท่านใช้คําว่านักคิดเนี่ยนะ ภิกษุผู้เป็นบัณฑิตนะนะวิสัยของบัณฑิตคือนักเพ่งะ น, นะเจตโสเขาเรียกว่าเจตโสเาเรียกคนมีความคิดนะนะมาจากบาลีว่าคนมีความคิดเป็นชาติบัณฑิต บัตรชนผู้เป็นชาติบัณฑิตพึงคข่ครวนเนื้อความแห่งธรรมะปริยายธรรมะบัญญายคือคำสอนประกาศอายตนะอายตนะสมุทัยอายตนะนิโรธอายตนะนิโรธาคามินีปฏิปทาผู้ที่ไข่ครวนเนื้อความอย่างนี้อย่างบริบูรณ์ด้วยปัญญาในเวลาใดคือหมายว่าเข้าใจทุกอย่างและเอามมาคำนวณมาไข่ครวมาพิจารณาโดยไม่มีตกหล่น พิจารณาอย่างนี้เวลาใดก็พึงได้ความพอใจได้ความเลื่อมใสแห่งใจในเวลานั้นฉะนั้นคืเรียกว่าเก็บรวบรวมมาพิจารณาอย่างครบถ้วนกระบวนความรู้ตามเข้าใจตามก็เหมือนกับกินขนมหวานเวลาหิวฉะนั้นเหมือนกันทั้งหิวด้วยกระหายด้วยมีขนมหวานอันอร่อยอร่อยเป็นที่ถูกใจข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมะปริยานี้ชื่ออะไรหวานประดุกขนมหวานเนี่ยชื่ออะไรเนาพระองค์บอกว่าดูก่อนอ น, อนุน เหตุดังนั้นอะเหตุที่แมฟหิวกระหายและเจอขนมหวานหรืออร่อยชื่นใจฉันใดเธอจงจำธรรมปริยานี้ว่ามะทุปินติกะสูตรปริยาดังนี้เธอสูตรเปรียบด้วยขนมหวานหรื อ, อน้ำพึ่งหวานเนี่ยนะเรียกว่าเรียกว่าเป็นสูตรที่เรียกว่าหวานเนี่ยนะหวานทางใจนะหวานใจของผู้มีปัญญาแต่คนไม่มีปัญญาบอกโอ้ยท่านพูดอะไรกันก็ไม่รู้มเมนอร่อยเลยเนี่ยนะทุกทุกความคิดมีภาษาหมด ทั้งขณะที่ฝันก็มีภัสสะมันจากสูตรนี้เนี่ยนะในะที่ใช้คําว่าพระเทระเนี่ยนะพระ อ, อนนท์เนี่ยท่านบอกว่าเป็นพระที่หนักในเหตุผลอย่างยิ่งเป็นคนที่หนักในเหตุผลอ่ะนะหนักในอัตต ธ, ธรรมะอ่ะนะเป็นคนที่หนักในธรรมะมากก็ลเลยคิดว่าธรรมะปริยายนี้เนี่ยเราจักทูลถามให้พระองค์ตั้งชื่อด้วยพระสัพพัญยุตยานเพราะฉะนั้น เหตุที่ที่เชื่อว่าธรรมปริยายเนี่ยอ่อนหวานเหมือนขนมหวานพระพระองค์ก็เลยบอกว่าจงจําชื่อสูตรนี้ว่ามาทุปินติกะปริยายละหวานประดุดขนมหวานที่จริงพระมหาในสูตรนี้ที่บอกว่าพระพระมหากัจจยนะผู้เป็นบัณฑิตเนื่องจากพระมหากัจจยนะเนี่ยเป็นบัณฑิตฉลาดในธาตุเป็นบัณฑิตผู้ฉลาดในอายตนะเป็นบัณฑิตผู้ฉลาดในปัจจัยาการ เป็นบัณฑิตที่ฉลาดในฐานะอาฐานะหรือในกรณะเหตุหรืออากรณะไม่ใช่เหตุรู้อะไรเป็นเหตุและไม่ใช่เหตุหน้า2องยสอหน้าข้างล่าง4บรรทัดเนี่ยนะพระมหากัจจยนะนี่ฉลาดมากฉลาดในธาตุธาตุธาตุหนึ่งธาตุสธาตุสามธาตุส่ธาตุหธาตุสิเนี่ยนะพระมหากัจจยนะฉลาดในธาตุทุกแง่ทุกมุมแล้วก็ทุกในเนี่ยนะ แล้วก็ฉลาดในอายตนะสิบสออายตนะภายในหอายตนะภายนอกหเป็นต้นเนี่ยแล้วก็ฉลาดในปัจยการปฏิจจสมบทบาททั้งอนุโลมปฏิโลมจะขึ้นจากหัวไปท้ายขึ้นจากท้ายไปหัวขึ้นจากกลางไปหาหัวขึ้นจากกลางไปหาท้ายขึ้นจากหัวมาหากลางขึ้นจากท้ายมาหากลางก็เรียกว่าจะแง่มุมใดในแง่ใดๆท่านก็ฉลาดหมดแล้วก็ฉลาดอะไรเป็นฐานะของอะไรอะไรเป็นไปได้อะไรเป็นไปไม่ได้ อะไรเป็นฐานะที่มีได้อะไรเป็นฐานะที่มีไม่ได้อย่างนี้แหละเขาเรียกว่า บ, บัณฑิตในพระาศาสนาบัณฑิตนี้แบ่งออกเป็นสองกลุ่มถ้าบัณฑิตทั่วๆไปหมายถึงคนที่ําได้รับประโยชน์ในโลกนี้ได้ประหยชนรับประโยชน์ในโลกหน้ารู้ประโยชน์โลกนี้รู้ประโยชน์โลกหน้าใช้ชีวิตประสบความสําเร็จทั้งโลกนี้และโลกหน้าเขาเรียกว่า บ, บัณฑิตทั่วๆไปแต่บัณฑิตในคําสอนหมายถึงระดับสูงสุดเลยก็คือฉลาดในธาตุอายตนะปัจญยาการอะไรเป็นเหตุและไม่ใช่เหตุ อันนี้ก็หมายถึงอย่างสิ่งเหล่านี้โดยสัตว์จะทั้งมวลครบถ้วนบริบูรณ์และพระมหากระจายนะนะเป็นผู้ที่มีปัญญามากปัญญาในปฏิสัมพิทาญาเนี่ยท่านเยอะมากใหญ่มากนะมหาปัญโยก็คือมีปัญญามากปัญญาในอัฏฐธรรมนิรุตและปฏิภาณเนี่ยนะมันจะแง่มุมใดๆเนี่ยคือพระมหากระจายนะเนี่ยท่านฉลาดเก่งถึงขนาดว่าท่านไม่บอกว่าท่านคิดยังไงโดยทั่วๆไปนะแต่ท่านบอกวิธีคิดให้ คำพีเนติปกรณ์นะี่นะเขาเราียกว่าเป็นวิธีคิดคําสอนะวิธีคิดคําสอนว่าคนฉลาดเนี่ยเขาได้ยินคําสอนปั๊บเขาคิดว่าอย่างไรและเขามองแบบไหนกว้างขวางอย่างไรเมื่อมองจบแล้วเขาได้รับประโยชน์อะไรบ้างเนี่ยนะมันรับหนึ่งเรื่องอนะท่านได้รับประโยชน์อย่างอย่างน้อยที่สุดได้ฟังปั๊บท่านปลื่มเลยน่ยนะรู้หมดแล้วและเข้าถึงประโยชน์อย่างสูงสุดเหล่านั้นได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นบุญกุศลที่เราได้ฟังนะนะพระธรรมคําสอน ทั้งหลายตั้งแต่เช้ามาจบปัจจุบันนี้ก็ขอให้โศตาวิญญาณที่เกิดจากพรรษะเนี่ยนะเพราะมีหูมีเสียงเกิดโศตาวิญญาณสามอย่างประชุมกันเป็นพรรษะในพระธรรมคำําสอนทั้งโดยการอ่านและการฟังการใคร่ครวนการค้นคิดขอบุญกุศลคุณงามความดีที่พวกเราทั้งหลายได้เจริญแล้วนี้จงเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นอุปนิสัยเป็นอัธยาศัย